อภินหราประ เ, เวคณะมนมนยายังอภินหาประ เ, เวคณะปาทังพนามาเซนชะระธรรมมม่ิจฉรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ พญ า, าที่ทำ ม, ม, มุมิพญาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธทีมโ ม, มมีมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมปีเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะพราดพาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมมพันธุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีเราจักทำกรรมอันใดไว้ กันละยางวาปาปังวาดีหรือชั่วก็ตามตาสะายาโทภวิสาตรเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตตพังเราทั้งหลายพึ่พิจาจรณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน